ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้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 ตกลงภารกร้อนคราวนี้ที่ไปชุมนุมที่นี่จะมาร่วมด้วยประกาศออกมาเยอะเกินตอนนี้ประกาศออกมากว้างขวางเลยแม้แต่อะไรที่เขาบอกส4บสีกลุ่มสิบสีสถาบันอะไร1 4สีกลุ่มอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็ไปรวบรวมกันมาเท่าที่ฟังมารู้มาเขาก็แสดงออกประกาศบ้างไอ้ที่ยังไม่ประกาศอาตมาว่ามีเหมือนกันนะ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 ตกผลึกหนาแน่นบางทีถึงขั้นแสดงออกแสดงออกแรงแล้วระบายอารมณ์ออกมาแรงก็มีอย่างที่เห็นเท่นกันละ่ะพอมีอะไรขึ้นมาปั๊บก็อดทนไม่ไหวอารมณ์ก็ระบายออกมาแรงแรงแม้แต่แค่กล่าวคาว่าออกไปกันนะั้นรู้สึกไ ป, ไป ท, ทั้งตัวไปทั้งสีหน้าสีตาเลยน ะ, ะจริงๆนะใช่ไหม ไม่ใช่ธรรมดาออกไอมันไม่ใช่ธรรมดาคำว่าออกไปคำเดียวนี่เป็ต้นนี่อาตมาพยายามจะสื่อจะอธิบายขยายความของลักษณะมนุษย์ให้ฟังไปตามลำดับง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์แม่เราไม่เป็นเราก็เรียนรู้ไปไม่ขาดทุนรู้ไว้ใช้วาใสาบาแบกค้ำ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 แต่ทีนี่ทางด้านศิละปะก็มาใช้คําว่าศิละป ะ, ะนิติ14สถาบันนะอันนี้วันนีเมื่อกี้ที่พูดถึง14สถาบันก็เลยเอาหลักฐานนี้มาให้ดูนิตินิติสิสถาบันก็ออกมาร่วมองค์ประกอบต่างๆองค์ประกอบศิลป์เนี่ยเมื่อรวมประกอบกันเข้าแล้วมันจะมีคุณลักษณะซับซ้อนอีกหลายอย่างหรือหลายในในนั้นอัตมาก็คงจะสาธยาย ความรู้ทางศิลปะออกไปไม่หมดหรอกนะมันต้องเข้าใจทุกอย่างเลยว่าเราตะมุ่งไมยอะไระมีจุดสำคัญอะไระมีองค์ประกอบต่างๆที่จะมีแนวโน้มโน้มนำอย่างไรเนื้อหาอยัางไรองค์ประกอบที่จะให้เป็นหนึ่งเดียวให้มันรวมเข้ามาหาหนึ่งเดียวอย่างไรไอ้กระเซ็นกระสายอยู่ไอ้ที่ยังไม่เข้ารูหมู่เข้ากลุม่ม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 มีสีรวมองค์รวมเนี่ยมันก็มีลักษณะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่มันต้องเข้ากันได้และมันจะมีลักษณะอย่างไรมีโทนาริตี้อย่างไรพวกนี้ซึ่งเป็นความรู้ทางศิลปะที่จะต้องเข้าใจหลากหลายมากมายการวิวิ จ, จเวลาที่จะจัดสรรเวลาที่จะจัดคอมโพ i ิชันจะจัดองค์ประกอบศิลป์เนี่ยต้องมีความรู้พว ก, พวกนี้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 ความรู้ที่อาตมาเอามาใช้ใช้ในการทํางานเสื้ตอตมาบอกอาตมาทํางานทุกวันนี้อาตมาใช้ศิละปะในการทํางานมาตลอดศิลปินทั้งหลายแหละที่วาดรูปเขียนรูปที่พยายามถ่ายรูปที่พยายามปั้นรูปจะพยายามสร้างอะไรศิละปะในสาในต่างๆนั้นนะไม่ว่าจะในจิตกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมหรือว่าวรรณกรรมหรือว่านาตกรรม ดนตรีการอะไรก็ตามถึงเป็นรากเงาของศิล ป, ปะเพียวอาร์ตห้าหาอย่างแต่โบราณเดี๋ยวนี้เขามากมากกว่า5แล้วเขาตั้งเป็นอะไรก็อาร์ตอาร์ตไปหมดเลยไม่รู้อา ร, ร์ตศิลปะอะไรม้างก็ไม่รู้ศิล ป, ปะในการมอมเมาก็เรียกอาร์ตเลอะเทอะไปหมดละเดี๋ยวนี้ตั้งชื่อเองเรียกเอง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 มันเป็นบุญน่ะมันมีไม่พิษภาษาอังกฤษว่าบุญมันเป็นบุญเป็นทุนที่เป็นบุญจะเรียกว่าไงเป็นทุนที่เป็นบุญบารมีถ้าจะเรียกสูงไปหน่อยก็บารมีม ม, ม, มันมีมาแล้วมันก็เลยมันเป็นทั้งนา ม, มาทำและรูปธรรมที่เราเองเราเร า, เราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้นึกหรอกยกตัว อ, อย่างง่ายๆว่าเรากำลังจะสร้างบัลลังรูปนี้เป็นต้น เราก็เพิ่งอบบอกแบบกําลังออกแบบกำลังแก่แบบแก่อะไรเสร็จเขาก็บอกว่าอ้าวทางน้นเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาแก่แบบเสร็จแล้วน่าจะาส่งมาเอาไปค้นมาไอเราก็ลัอยู่ที่นี่กันซะเยอะเอาแล้วจะค้นไปยังไงล่ะคนก็มาอยู่ที่นี่รถราก็มาอยู่ที่นี่ซะเยอะก็ค้นมาที่นี่ก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นรูปประธรรมเป็นของมันเองเราไม่ได้เจตนาแม้ที่สุดอ้าวไม่ต้องเล่ายาวเหตุการณ์มันก็เกิดมาแล้ว <นะ S 1> สรุปแล้ว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 ให้มันต่อไปเป็นอดีตก็ดีต่อไปหาอนาคตก็ดีจะคอน t ิ n นีอย่างไรตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะเราจ ะ, จะต้องพยายามพยายามทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดและก็จะต้องใช้ปัญญามีสติสัพพัญญาปัญญาวินิจฉัยพิจารณาตลอดเวลาต้องมีสติมีสัพพัญญะแล้วก็พิจารณา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 สุขยังโลกีนั้นก็คือเราได้ตามที่เรามุ่งหมายหรือเรียกว่าตัถหาแล้วที่เราต้องการได้ตามที่เราต้องการพอเป็นโลกโลกก็เอามาบําเรอกิเลส ก, กามเหมืนบําเดรูปโลกดินเสียงสัมผัสมบำบําเร อ, อัตตาแต่ทางธรำรก็บําเรอเหมือนกันจะว่าแล้วบําเรอความมุ่งหมายต้องการที่จะดับภพบดับชาติรองความจะดับกามต้องการที่จะดับอัตตาจะลดละอัตตา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 มันไม่รู้จักสิ่งที่ซูญเสียแต่มันก็เป็นสุขสมาสกิสนั้นตัวเองเจ็บตัวเองปวดตัวเองแรงตัวเองมันมันโอ้มันยิ่งร้ายแรงใหญ่เลยมันกลับตลบปัดไปหมดเลยมันคนเรื่องเลยมันยิ่งหนักเพราะะนั้นในความสุขของโลกก็มีอยู่อย่างนั้นส่วนความสุขของโลกุตรานั้นคือมันลดไอ้สิ่งที่เป็นโลกโลกของนี้ทั้งนั้นแหละมันลดความเป็นลกโลกไปทั้งหมด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 เออมาหนี้มานี้นี่จะชี้แจงถ้าสึกมันจะฟังเหรอมันถือปืนมาด้วยนะปืนในใจอ่ะมันไฟฟังรอคุณพูดก็ไม่รู้เรื่องเราคุณยังไปตอแยอ่ก็พยายามรักษากิริยาให้ดีอย่าให้ไปเป็นการยั่วยุนเขาะจะทําอย่างไรก็คืออย่าไปทํากริยาตอบโต้ให้เป็นการยั่วยุนเขาแม้ว่าจะรู้สึกว่าเราเหมือนยอมเหมือนแพ้ก็ดีกว่านะ ยอมมันยอมยอ ม, มันแพ้ก็ดีกว่าแต่ถ้าใครที่เก่งสามารถทำได้ว่าเราก็สง่า่าเผยแข็งแรงไม่ได้แพ้แต่เขาไม่มีปฏิกิริยาแรงตอบมาหรือมีแรงเพิ่มขึ้นถ้าคุณทำได้คุณก็ทำอันนี้เป็นลักษณะพิเศษที่ทำได้เก่ง <c oughs> ก็ทำก็ยังสง่า่าเผยยังกล้าหาญองอาจแต่ระวังนะอาจอาจอาจอ า, จ า, จาจแล้วมันมันยั่วเขาหนักเขา <c oughs> อันนี้จะหาวัตมาายุนะ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 ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์สายนิติศาสตร์สายรัฐศาสตร์สายสังคมศาสตร์แม้แต่สายศาสตร์การเงินนะก็เข <Nh ư? S 1> <andez> ้าใจแล้วโอ้โหคุณพิเชษต์ออกมาแถลงมันหมดแล้วนะเงินน่ะดูซินี่อันนี้นี่อะไรโอ้โหอาตมาไม่เคยเก่งการเงินในชีวิตมามีแต่ถูเขารีดเข้าไถเขากินเขาเป็นหมู เในวงการพนันก็เป็นหมูในวงบิลเลียดก็เป็นหมูหมูตื่นเขาตน้นกินเสียเงินเสียทองมาเยอะแล้วอาตมาไม่เก่งในเรื่องการเงินนะผ่อนส่งผ่อนสึงเขาจะกินเขาจะบวกลบคูณหารทบต้นยังไงก็โอ้เป็นลูกค้าที่ดีพอเสร็จผ่อนส่งก็หมดปับ๊บเขาก็จะนึกซื้อตามมาเลยว่าท่านเป็นลูกค้าที่ดีเชิญอีกที่แท้นะเราดูคุรีย์เขาเฉือนไปได้อย่างซื่อสัตว์ซื้อตรง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 สาธยายทำเดี๋ยวใครมาก็นายหาลูกค้าบรรยายทำหมอใช่ไหมอาตมาก็ว่าดูก่อนดูก่อนเพราะถ้าที่มันไม่ค่อย ท, อทักทีตรงเวลาชุรมอนชู ร, ร์เกลล้ว่าโอกาสไม่เหมาะสภาพทำตอนนั้นไม่เหมาะก็บอกว่าเอออย่าพึ่งพอมาที่นี่แล้วดูเข้าฝักเข้าที่เข้าทางนี้แล้วก็เออเอาเอ า, เอาไปบ้างแต่หาลูกค้าไม่ค่อยได้เท่าไหร่มีแต่ลูกค้าเก่าๆบ้างก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรในที่นี้มันอโคจรอย่างยิ่ง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 ก็ไม่เทเด็เพ่นผ่านไม่เทเด็ป็นแสดงอะไรที่เล่เเเเเออ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่งงเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่จ่่่่่่่่่่่่่ไป่่ป่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่ร่่่่ง่่่่่่่่่่าวถึงเวลา สิ่งนี้เป็นเส้นแสงเงาสีของศิลปะงานนี้ทั้งนั้นเลยก็ขอบคุณพวกเราอย่างมากเลยแม้แต่สมนาที่ได้มาระกระทำลงไปนี้มีส่วนมีฤทธิ์มีผลที่ทําให้เกิดความสงบร่มรื่นให้เกิดความยอมรับถึงเรื่องธรรมะสังเกตได้ว่า ง, งานนิรมานีตอนแรกเทระสมาคมจะเอาแล้วเนี่ยจะเป็นโทรแล้วข่าวมา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 สุดท้ายไม่มีอะไรก็ไปสวดมนต์ที่สนามหลวงนี่อาตมาว่ามันไม่ใช่ผิดนะอาตมาเห็นเห็นได้เห็นด้วยเป็นนั่งทำานโดยว่าเอานี่สวดมนต์ให้60ชันพระชันสามาชั้นหชันสา60ปีที่ได้ครองราชสาม0 0อ่นองเต็มสนามหลวงสวยงามดีอาตมาว่าก็ดีแล้วละ่ะถูกกาละเทศะก็ทำได้ดีก็แสดงออกบ้าง เทสมาคมจะม่มีอะไรเลยให้แต่อโศกทำแสดงอยู่ตอนนี้มีบทบาทตอนนี้ไม่เลยเนอะต้องมีอะไรบ้างก็ดีเหมือนกันอ่ะอัตมาก็มองเห็นชัดเจนเออก็ดีงามมีประโยชน์ทางธรรแสดงออกก็ดีอย่างนี้เป็นต้นเราต้องเข้าใจว่าความควรหรือไม่ควรความถูกต้องนั้นไม่ถูกต้องให้ดีๆอย่าไปนั่งเพ่งโทษไอ้นั่นไปว่าานี่ไปอะไรนี่อะไรอะไรมันไม่ไม่ไม่เข้าตาอะไรหรอกนะ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 สมรภูมิเงินยึดหัวหาดไม่ได้จะทําอะไรเป็นแกนเป็นจุดก็อวอดอยู่ไม่ได้ก็มีคนเห็นว่าก็ยุบไปก่อนพักไปก่อนสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วก็มาอีกทีนสิแล้วก็นัดกันใหม่มาอีกทีนสิพิจารณาแล้วอาตมาก็พิจารณาถึงจิตวิญญาณด้วยรูปธรรมด้วยก็ก็เห็นว่าเสี่ยงนะเรียกมาอีกทีนี้มันจะ มันเป็นนอนฟูกซะแล้วเนี่ยมันจะลุกมาไหมเนี่ย5วัน7ดวัน10วันนี่จะบอกว่ามาอีกทีนึงจะมาไหมเนี่ยมันเมื่อยมาก็ไม่เต็มครบรอกอมาก็ไม่เต็มครบหรอกคือเราจะทิ้งช่วงตรงนี้นี่ควรหรือไม่ควรก็พิจรารณากันหลายเราอาตมาก็คิ้ตามข้อเหตุผลปัจจัยอะไรต่างๆด้วยเหมือนกัน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 แต่ปลุกเสกจะได้ไหมโอ้โหน่าดนะูไม่ได้นะแต่แค่ตื่นมาทําวัดเช้านี่ยมันก็จะเจงแล้วงานปลูกเสกแล้วก็มีเช็คแมทรูทีของเราเป็นไงบ้างฮะหนึ่งตื่นเช้าแต่ตีหเอ้ยไปตีสามครึ่งทำวัดเช้ามันไหวไหมเนี่ยมันก็คงเจงแล้วตีสามครึ่งมัน ต, ตื่นมาทําวัดเช้าก็ไม่ได้อ้าววัดเช้าทำวัดเช้าไม่ได้ได้แต่ก่อนชั้น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 เอาละอาตมาว่าไม่ต้องซาทยาเลยแล้วอย่ที่อาตมาพูดนี่คือรายละเอียดต่างๆที่อาตมาคิดอาตมาเอามาประเมินประมวลดูว่าเออมันจะยังไงดูแล้วเนี่ยมันแล้วยิ่งรายการเย็นยั่ตึงขึ้นเวทีตัวอย่างมันจะไปแข่งกับเขาได้หรือกับรายการเย็นอ่ะโอ้ยิงหมดท่าเลยต้องดับไปเลยอาตมาก็ว่าโอ้มันกระโกกระเพลกเดี่ยงขาหักข า, ขาเกองเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่ได้จะมาประติประนอมว่าจัด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 นี่เป็นการวินิจฉัยต่างๆที่อาตมาใช้ปัญญาร่วมคิดร่วมอะไรแต่ใด ไ, ไปอาตมาอาจจะคิดได้เร็วหรือคิดได้มากโดยรวมอะไรแต่ใดมันก็เป็นก็เป็นไม่รู้แล้วก็อาตมาทำเป็นทำได้ได้มาอะไรอะไรต่างๆนั้นามันก็เป็นไปตามธรรมของตัวเรามีบุญมีบา ร, รมีทําได้ก็ะทำได้ไปก็เลยเห็นว่าอ้าวตกลงก็เราก็จะต้องเป็นหลักอยู่ที่นี่ก่อนเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจเลยนะว่าพวกเรา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 เอาเธอเขาวนี้เสียยอมเสียสิทธิ์อีกไม่นานแล้วเนี่ยวันที่เท่าไหร่ยี่ใช่ไหมยี 28, ม่เมษาใช่ไหมยี 19, ม่สิเก้ามษาเลือกตั้งสวก็ไปต่อไปต่อศีล ต, ตรงนั้นก็นแล้วกันศีลขาดเหมือนศีลขาดแล้วก็ไปต่อศีลวันที่29เาสืสวก็แล้กาวากันสิทธิที่ทุกอย่างก็คืนมาหมดแล้วนะี1สหรือยี่เาอ่าเออเก้ 19, าเมษา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 คือเราจะต้องสื่อในสิ่งที่ควรสืบมันเป็นงานมนุษย์ก็ต้องทำงานและงานนี้มันเป็นสิ่งที่ดีจะบอกว่าเราเผยแพร่ถ้าเราเผยแพร่พรสิ่งที่ดีไปให้แก่สังคมเนี่ยมันจะผิดตรงไหนน่ะอาตมาอยากจะรู้คนควรได้รับเราก็ไม่ได้อยากเราก็ไม่ได้ไปซื้อเวลาเราก็ไม่ได้ขนขวายจนกระทั่งโอ้โหดิ้นรนไม่มันเป็นไปตามสัจธรรม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 เกิดดำเนินไปร่วมกันไปกับสิ่งนี้มันร่วมกันไปเพราะองนก็จะมาตู่เราว่าได้เผยแผ่ะละทัทธิก็ไม่ปฏิเสธก็ได้แต่เราไม่ได้อยากเผยแผ่หรอกแต่มันได้เองอะและสิ่งที่มันเกิดนี่นะเราบอกว่าลัทธินี้เป็นลัทธิเลวหรือลัทธิดีล่ะเออ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 เพราะฉะนั้นจริ ง, รงๆแล้วมันสมควรเผยแพร่หรือไม่สมควรเผยแพร่ล่ะมันสมควรเผยแพร่ด้วยซ้ํำจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มานั่งอวดนั่งอ้างอะไรก็เราเป็นตัทธตาก็เราเป็นเช่นนี้เองอ่ะมันเป็นอยู่อย่างนี้ของเราอ่ ะ, อะก็นั่นแหละก็คนเห็นต่างชาตเห็นต่างประเทศเมื่อกี้ให้ข้อมูลมาว่า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 เสร็จแล้วเราเสียประโยชน์ของชุมชนไหมสันติอสโศกเสียอะไรไหมศิษาอาสโศกเสียอะไรไหมปฐมอาศกเสียอะไรไหมราชธานีอโศกเสียอะไรไหมมันมันมันมันลดเหมือนกันน้ําผักไม่ได้รดงานาพวกอมองค้าผงก็ไม่ได้เปิดงาน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 อาตมาไปใช้ว่าลักษณะเก่านั้นไปใช้ภาษาอังกฤษว่ามันเป็นซาดิสม์ล้วก็เลยมาทำอย่างโรแมนติกซึมฟังแล้วมันก็ยังเอ๊มันไม่ดูดีฟังไปแล้วเด้วยก็จะเข้าใจเป็นในทางกามมากเกินไปออกเชิงอีโรติกมากๆแลมันก็ชักก็ไม่เขาทาก็เลยมีคนคิดว่าอ้อใช้ภาษานี้ดีกว่านะคอมเพชันคอมเพชเนตคอมเพชเนทรีหรือคอมเพชเนตเนี่ย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 ราจศาสตร์ต้องบันทึกลงไปเป็นจุดสำคัญเลยเพราะอาตมาว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นเลนเล็กๆแล้วเราก็พลัดพลัดผุผูกก็มาเป็นส่วนหนึ่งของเขาเราไม่ได้ยิ่งใหญ่หรอกอเราก็เหมือนน้ำเย็นเม็ดเล็กๆหยดเล็กๆร่วมกับทุกๆส่วนของเขามากมายยิ่งมารวมกันโอ้โหยิ่งเยอะยอะหญ่ะเห็นไหม หน่วยต่งตางๆกลุ่มต่งตางๆผู้รู้ต่งตางๆผู้ที่มีฐานะทางสังคมยิ่งใหญ่ก็เราเยอะแยะเรามันอีแรงตัวน้อยๆมันไม่หรอกฝูงฝูงแรงน้อยๆเท่า น, นั้นเองมันไม่ได้ใหญ่ยิ่งอะไรแต่เราก็มาช่วยเขาด้วยน้ำใจด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นดีเห็นด้วยจะถูกเขาด่าว่าจะถูกเขาตำหนิติเตียนบ้างอะไรก็ทาความเข้าใจดีๆว่า เออเขาติเตียนแล้วมันผิดหรือถูกอัตมาว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไรเราไม่ได้มาทำเพื่อที่จะฉวยโอกาสเอาอันนั้นเอาอันนี้ตอนแรกเห็นไหมมีคนตั้งข้อว่าพวกกองทัพทําเนี่ยมันจะมาชุบมือเปิดหรือเปล่านแน่เอางั้นด้วยนะตอนแรกเห็นไหยเขาเปลยมาแตาใครติดตามข่าวมาตลอดจะรู้นักบอกเออเราสะดุดเหมือนกันนะว่าเรามาชุบมือเปิดหรือเปล่า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 หลับไม่รู้คู่ไม่เห็นมันก็ไม่ได้ถ้าสังคมนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะช่วยเพื่อจะเติมแทมให้มันได้ดีขึ้นให้มันสำเร็จรล่วงไปได้ดยดีมันก็น่าจะทำแม้ว่าเราจะต้องลงทุนลงแรงบ้างแม้ที่สุดเขาจะต้องมาด่ามาทอเอาอีกด้วยเราก็เราไปทฤษซื้อสักทฤษซีอะไรกันนะกันนาเราก็คนเท่าอีแรงเขาด่าได้เห็นเป็นไรเลยใช่แต่ไม่ใช่คนด่าดานานา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 หัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญอย่างจริงเลยจะแพ้ชนะกันก็โหหืดขึ้นคอเลยคู่ต่อสู้ <c oughs> อหนักมวยแมทนี้เนี่ยเรียกว่าคู่ต่อสู้นี่รวดลายหน้าดูทั้งคู่เลยทนอึดเพราะนั้นเราก็ต้องทนอึดด้วยนะ การชกคราวนี้เนี่ยคนดูในสนามเนี่ยเห็นแล้วให้คะแนนแล้วกรรมการบนเวทีจะให้คะแนนอย่างไรไม่รู้นะกรรมการบนเวทีนะจะให้คะแนนอย่างไรไม่รู้แล้วก็แหมภาวานาให้กรรมการมีตาดีเหมือนคนดูในเซมสนามนี้ก็แล้วกันภาวนาให้ให้คนให้กรรมการอยู่บนเวทีเนี่ยโอ้เห็นกับ คนดูในสนามเถอคนดูในสนามขณะนี้นี่ตั้งแต่ยังไม่ค่อยตั้งแต่โหตอนแรกดูก็โหตอนหลังมาเงียบตอนหลังมาปบมือให้ตอนหลังมาออกไปออกไปช่วยด้วยเลยเกิดปฏิกิริยาบทบาทเปลี่ยนแปลงไปงี้ก็แล้วขณะนี้เราไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้เดานะไม่ได้โมเมนะ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 มีคนอธิบายเสริมว่าต่อไปในอนาคตนี่มันเป็นบทเรียนของประเทศว่าคนจะเป็นนายกต่อไปนี่เรียนรู้นะต่อให้เก่งสุดเก่งเลยนะต่อให้มีเงินมากมด้วยนะต่อให้อะไรด้วยมากรถเลี้ยวมากอะไรอะไรมากสุดท้ายทั้งสี่เหลี่ยมสีด้านด้วยนะโอ้โหมันเข้าเข้ากันแล้วเกินนะมันทําไมมันถึงรูปธรรมกันามาทํามันลงตัวกันเหลือเกินทั้งอย่างทั้งนั้นเลยนะ ส่วนเหลี่ยมก็มีทั้งสี่ส่วนด้านก็มีทั้งสี่เต็มๆนะมันอะไรมันลงตัวอะไรกันขนาดนั้นอยาจะนี้ต่อให้เก่งทั้งเหลี่ยมทั้งด้านยังมาเป็นนายกต่อไปมันเป็นบทเรียนชัดเจนแล้วสแครวรู้ด้วยเหรอยกกำลังด้วยเลยด้านยกกำลังสองก็อธิบายเป็นภาษาไปงั้นนะ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 พระพุท ธ, ธาภิเษกครั้งที่30ิไปแล้วขราวหน้าครั้งที่สาอได้ปลุกเสกไม่เกิดกลายไปครั้งหน้าต้องครั้งที่30สบไปย่ําเท้าอีกทีเออก็ว่าไปทั้งต้ๆที่เขามาด้วยกันไปได้วยกันมาพร้อมกันมาตลอดมาถึงอายุสาบเนี่ยมันเข้าไงขาขาเปในตอนอายุสาสบได้ <c oughs> มีคนให้ข้อคิดมาบอกว่าอ่า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 คะแนนชัดแล้วแร ก, กว่าเทคนิคนองเอาจับมือยกกลางสนามจับเราน ะ, <c oughs> ะเราก็ฝันไปอ๋อต่อยังไงก็ไม่แ ต, ก ห, ตกหน้าด้านต่ อ, อยั ง, ไ, ออยง ไ, ไม่แตกออก็อีกภาษาหนึ่งเนาะอีกภาษาหนึ่งเอ๊แต่ว่าแม่ได้กินต้มรากหญ้านี่ทำไมมันถึงลึกซึ้งขนาดนั้นเพราะรากหญ้านั้นรากหญ้าชนิดต้มเลยนะต้มจนสุกเลยนะ <c oughs> มันทำไมมันถึงมีภาษาไทยมันลึกซึ้งดีเนาะเออไปต้มหลากหามาโดฟเออฝังและลึกซึ้งหลายชั้นเนาะเอา้าก็ว่าไปเอ า, เอาละอ่ตมาว่าเราก็คงได้ขยายความาให้เข้าใจกันได้แล้วว่าเราก็อยู่อย่างหนึ่งมีผลที่เราเห็นเรารู้สองมีสุขมีสุขที่เราเห็นเรารู้ว่าเออนี่มันเป็นสุข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 ราคาถูกกับค่าเสร็จนะคัาเสร็จนี่นมันตลบหนึ่งตั้ง10 บ, บาทไอ้นี่ไม่ถึงแผ่นหนึ่งไม่ถึงสิบเนอก็เก็บได้ดีกว่าเก็บได้ง่ายกว่าด้วยนะก็ได้สาธยายอะไรไปแล้วก็เอาธรรมะที่เทศได้ฟังนี้เอาไปทบทวนไปดูอาตมาอาจจะขยายหลายเรื่องมันอาจจะไม่ละเอียดละออนนักแต่คิดว่าพเรามีภูมิปัญญาพอที่จะไปทําความเข้าใจ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 ดัง้แม้แต่ว่าเราไปเดินบินทบาตอยู่เราไปกันอย่างมีระบบระเบียบระมีอะไรตระไรเป็นตัวที่นิ่งแต่แม้แต่นิ่งเราก็เคลื่อนไหวในความเคลื่อนไหวเราก็เคลื่อนไหวอย่างมีสติสัพพัญญาปัญญาว่าเราควรเคลื่อนไหวอย่างนี้อย่างนี้ควรจะมากไปน้อยไปอะไรต่างๆนานามันเป็นระบบเป็นระเบียบคนก้าหาพวกเราเนี่เป็นพวกที่ไร้ระเบียบแต่ถึงจะไร้ระเบียบเขาว่ากัจังก็เถอะ นะของเราไร้ระเบียบจรนะิงๆไม่ใช่ไร้ระเบียบของเราเป็นระเบียบด้วยซ้าไปนะก็ใช้ได้นะทางยังไม่รู้ตอนนี้ว่าเราจะต้องคารวะที่จะทำอาหารนะเราจะต้องทำอาหารส่งไปทางโน้นหรือไม่แค่ใดมันไ ม, ไม่รู้แล้วตอนนี้เรายังไม่รู้ที่โนนแต่ที่โน้นบองคนจะมีไปรวมกันอีกคนที่เ้ามีเงินมีทองมากขึ้นนะ ที่นี่คนต่างจังหวัดคนที่ฐ า, านะไม่ค่อยดีนักมามากแต่ไปที่ที่โ น, น, น้นมันอีกย่านหนึ่งคนจะมาแน่นกันอีกย่านหนึ่งนะเพราะงั้นก็มันจะมีอีกรูปลักษณ์อีกอย่างหนึ่งมันจะไม่เหมือนกันทีเดียวทีนี้ก็เลยยังไม่รู้ชัดเจนว่าเราจะต้องทำอาหารเสริมไปให้ทั้งโน้อนอีกเท่าไรแค่ไหนก็ค่อยๆติดตามกันดูนะว่าจะทาอะไรเท่าไหร่ยังไงส่วนอื่นๆ ที่นี่คนน้อยลงการดูแลช่วยเหลือกันในเวลากลางค่ํากลางคืนหรืออะไรต่างๆนานาเ น, น, นี่ยคงจะต้องเอาภาระมากขึ้นเพราะว่าแม้แต่ตํารวจก็คงจะลดลงไปตํารวจก็ยังลดลงไปตํารวจมาต่อรองมาคุยกับเราเหมือนกันว่าอยากจะขอเปิดถนนนี้ให้รถวิ่งผ่านเราบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะเรา ย, ยังมีคนอยู่ที่นี่เป็นหลักมีผู้หญิงมีตั้งสาวแก่แม่ไม้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 แล้วก็ขอร้องว่าอยากให้มถมาวิ่งผ่านวิ่งผ่านเลยคือเขาเองเขาก็ต้องดูมันก็เป็นงานเขาเราก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะเพราะว่างานพุ่งนี้ ว, วันอนี้สิเปิดแล้วงานการชาติเขาเปิดแล้วเพราะว่าจะปิดถนน น, นี่แต่ทีจริงมันช่วงสั้นแต่เขาก็รัดได้นะว่าจริงเขาก็รัดได้เรากำก็ต่อนึ่องไปโ น, น้มเหมือนกันมันก็สะดุดขึ้นมานิดนึงแหละก็นนีขอร้องกันเพราะว่าเหตุการณ์ของประเทศมันเป็นเรื่องใหญ่อันนั้นเป็นเรื่องแกนเรื่องใหญ่สําคัญ